อั้นี้จกแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัย่แห่งพระธรรมเทศนาที่พระพภูิเยพระเจ้าทรงตอบคำถามของท่านมโน์ทั้งสิบคนนั้นจะเห็นได้ว่ามีการประรบถึงคำวันโลกอยู่เป็นนันมาก แม้ในคำสอนเบือ้องต้นคือข้อแรกก็เน้นไปที่โลกและบางครั้งทั้งก็สรุปพวกโลกไว้โดยนัยะต่างๆคำว่ า, าโลกนั้นเป็นคุณสมบัติประการหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่เรียกว่าโลกกนัตคือที่พึ่งของโลกในความหมายนี้หมายถึงเป็นที่พึ่งพึ่งของสัตว์ทั้งหลาย แสดงว่าโลกคือหมู่สัตว์บางครั้งก็ใช้ว่าโลกานุกรรมปรโกคือผู้อนุเคราะห์โลกก็เน้นไปที่พวกกินอยู่ชนทั้งหลายแต่บางครั้งในความหมายคำว่าโลกนั่นเองใช้ไปในกลุ่มของพวกอัปยากตะธรรมคือธรรมะที่เป็นกลางๆบ้างในกลุ่มของพวก อกุศลแลธรรมคือบรรดาพวกกิเลสทั้งหลายบ้างแต่าบางครั้งก็เน้นไปที่ภพชาติต่างๆเพราะคำาโลกในความหมายของพระพุทธศาสนาหรือความหมายตามรูปศัพท์จริงๆหมายถึงสิ่งที่จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่จะต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจึงเรียกว่าโลก ท่านก็สอนให้ศึกษาเรียนรู้ตั้งแต่โลกสองจริงก็โลกหนึ่งก็สอนโลกสองเฉพาะในที่นี้หมายถึงโลกที่เกิดขึ้นในรูปของความเสื่อมที่เรียกว่าสมบัติติโลกก็โลกที่มีความมีการเพิ่มพูนขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆว่าจะเป็นคนหรือเป็นสัตว์ก็ตามในความเจริญเติบโตขึ้น ในด้านคนก็มีฐานะทางทรัพย์สินเป็นต้นเพิ่มพูนขึ้นเรียวกว่าโลกกัสมบัติแต่ในขณะเดียวกันก็มีโลกกวิบัติคื อ, ค ว, อความเปลี่ยนแปลงของโลกข้อนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงภาพความจรงิงที่มีอยู่เป็นอยู่โดยธรรมชาติธรรมดาของเขาขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยของเขาและแม่บุคคลแต่ละคน ก็ประสบทั้งโลกกสสมบัติและโลกโควิบัตตในชั้นนี้พึงสังเกตว่ามีคำสอนไว้ทุกระดับให้บุคคลเพิ่มพูนส่วนที่เป็นโลกกสสมบัติทั้งมาบุคคลดทั่วไปที่ยังไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจก็สอนให้เพิ่มพูนในด้านควความรู้เรื่องด้านทรัพย์สินเป็นต้น แต่พอถึงระดับหนึ่งจะเน้นไปในด้านเพิ่มพูนโลกกสมบัติที่ประณีตขึ้นเป็นการแสดงคุณธรรมศีลธรรมเมื่อบุคคลนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็จะมีความส ง, งบความสว่างในด้านจิตใจเพิ่มขึ้นธรรมะที่ส่งเน้นมากในเรื่องนี้ก็คือเรื่องของศรัทธาความเชื่อ ศีลการควบคุมอาการกายวาจาโดยอาศัยการควบคุมไม่เข้าถึงใจเราะตามปกติแล้วศีลแม่จะพิสูจน์ต ร, รวจสอบได้ทางกายกับทางวาจาแต่ก็เกี่ยวเนื่องกับเจตนาคือความจงใจของบุคคลจงใจทำให้ผิดหรือจงใจงดเว้นก็ตามนในกรณีของการจงใจทำให้ผิดหรือเป็นการละเมิดศีล ท่านก็แสดงให้เห็นถึงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับจิตอย่างต่อเนื่องเช่นในกรณีของปานาธิบาสัตสนั้นมีชีวิตก็เป็นเรื่องภายนอกสองเรารู้ว่าสัตว์มีชีวิตก็แสดงว่าเป็นเรื่องของจิตใจเราแล้วตั้งจิตคิดจะฆ่าก็แสดงว่าใจนั้นมีความจงใจมีเจตนาแล้วทาความพยายามที่จะฆ่า มันจะชี่เห็นถึงความจงใจที่จะฆ่าซึ่งมีลักษณะต่อเนื่องคือเกิดขึ้นต่อเนื่องภายในจิตใจและจนสัตว์นั้นตายลงด้วยความพยายามนั้นก็ออกมาทางกายบ้างทางวาจาบ้างแต่ก็คงเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยใจนั่นเองแต่เพื่อให้ศรัทธาและศีลมีความประนีตขึ้นก็ทรงสอนเรื่องการศึกษาการสับดับฟัง ที่มุ่งพัฒนาทั้งศีลทั้งศรัทธาของบุคคลให้อยู่ในแนวทางที่ถูกท้ควรเพราะสิ่งเหล่านี้แม้จะเป็นกุศลนธรรมก็ตามแต่ถ้าบุคคลขาดความรู้ความเข้าใจถึงเงื่อนไขและกฎเกณฑ์ต่างๆแล้วการรักษาศีลอาจจะรู้สึกว่าเครียดสร้างความลำบากสร้างความทุกข์ทรมานให้แก่ตนเองแต่ถ้าบุคคลได้ศึกษาเรียนรู้จนเกิดความเข้าใจ เราจะมองศีลโดยขยายหรือมองศีลโดยสรุปก็ได้แล้วในสุดก็จะจับหลักได้ว่าแม้จะมีการจําแนกศีลออกไปให้พิสดารยังไงก็ตามจริงๆแล้วอยู่ที่ความจงใจอยู่ที่เจตนาหรืออยู่ที่ใจของคนนั่นเองเราไม่ต้องการในยุ่งยากหรือไม่ต้องการจัดทรงจำเรื่ององค์องค์ของศีลข้อของศีลจำนวนของศีลเป็นต้น เราก็มาควบคุมที่ใจของเราอย่าให้คิดไปในเรื่องที่รุนแรงด้วยอานาจของความโลภความโกรธความดุแม้จะมีก็ควบคุมความคิดเหล่านั้นเอาไว้ให้มีในสันฐานที่พอประมาณไม่ถึงก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตใจใจที่อยู่ในระดับนี้ก็จะคุมได้เองอกิจะคุมอาการทางกายทางวิชาของบุคคลเอาไว้ เมกูไม่ได้การผิดศีลก็ไม่เกิดแล้วก็มีจะคะคือการสละให้ปันตลอดถึงการพยายามสละอารมณ์ที่เป็นข่าศึกต่อเจดจำนงแห่งการกระทําดีของตนพตามปกติแล้วเป็นเรื่องธรรมดาประการหนึ่งของกุศลกับอกุศลที่ก็มีกำลังพอฟัดพะเวียงกันโดยเฉพาะสมหับคนทั่วไป น, นี้สามารถสังเกตได้ว่าความคิดการกระทําของบุคคลไม่สม่ําเสมอคือสูงบ้างต่ําบ้างกลางๆบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างดีมากดีน้อยเป็นต้นถ้ามองกลับถึงมูลเหตุที่แท้จริงก็จะพบการต่อสู้กันระหว่างกุศลกับอกุศลที่เกิดขึ้นปรุงแต่งจิตแล้วก็มีกําลังใกล้เคียงกันไม่มีใครที่จะยึดครองจิตใจของบุคคลได้อย่างจริงๆ กุศลอาจจะปรุงแต่งจิตอยู่ได้ระยะหนึ่งแต่อกุศลก็มีกําลังขึ้นมาแทรกข้อนี้เพื่อสังเกตว่าแม้กุศลเจตนาที่จะฟังธรมปฏิบัติธรรมรักษาศีลให้ทานที่เกิดขึ้นนั้นจะอยู่ไม่ได้นานเพราะจะมีอกุศลทึงตรงกันข้ามกับความดีเหล่านั้นเข้า ม, มาตัดรอนแทรกแซงเช่นบุคคลตั้งจิตที่จะส่งกระแสจิตของตนไปตามกระแสธรรม ให้ต่อเนึ่งแล้วก็มีการพินิจพิจารณาถึงธรรมะตามไปด้วยแล้วก็จริงแล้วการตั้งจิตไว้ในลักษณะนั้นจะอยู่ได้ไม่นานเพราะจะถูกความฟุงรร้งซ่านความเบื่อหน่ายความทอ้อถอยความเครือแกร่งสงสัยเป็นต้นมาตัดรอดออกไปทำให้บางช่วงแม้จะมีเสียงแสดงธรรมะอยู่แต่เราก็ไม่รู้เรื่องไปแล้วเพราะว่าใจไปคิดเรื่องอื่น นนัน้ท่านก็สอนให้สละความรู้สึกเหล่านั้นออกไปอย่าให้เป็นอารมณ์ค้างอยู่ภายในใจคือถ้าสิ่งที่ค้างอยู่นั้นไม่ใช่หมายความว่าแ ม, ม่ค้างเสมอไปถ้าเป็นกุศลธรรมก็ให้ค้างคือกเก็บสะสมไว้แต่ถ้าเป็นอกุศลก็ให้กระจัดออกในการจะรู้ได้อย่างนี้ก็ต้องใช้ปัญญาเพราะงั้นจึงเน้นไปที่ปัญญาเป็นตัวคุม ศรัทธาคุมศีลคุมการศึกษาสดับสำหฟังคุมจากขะเพื่อให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้องบรรลุวัตถุประสงค์ของการปฏิบัติธรรมจริงๆถ้ากบุคคล น, น้อมนําธรรมะเหล่านี้เข้ามาเป็นหลักในการปฏิบัติโลกคือร่างกายนี้โลกคือร่างกายและจิตใจนี้ก็จะมีสมบัติเพิ่มขึ้นจะมีความสมบูรณ์เพิ่มขึ้น แล้ข้อปฏิบัติอีกชั้นหนึ่งเพิ่สังเกตว่าเป็นการหลุดพ้นจากโลกเพราะธรรมะปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นถ้าแบ่งเป็นชั้นใหญ่ๆก็จะได้เป็นสองชั้น <c oughs> ก็เรียกว่าชั้นโล ก, กิยะ <c oughs> หรือชั้นหมุนวนอยู่ในโลกแต่พระธศาสนาก็มีหลักการที่สอนให้ทํทาทั้งๆที่เรายังต้องหมุนวนอยู่ในโลกประสบความสุข ความสุขความทุกข์อยู่ในโลกนั้นๆคําสอนในชั้นนี้จะมุ่งให้ทุกข์ลดลงสุขเพิ่มขึ้นและการลดของทุกข์และการเพิ่มของสุขนั้นให้ยาวนานมากยิ่งขึ้ น, นจึงมีการแสดงเป็นพบเป็นภูมิขึ้นไปโดยลําดับภูมิก็คือชั้นของจิตพบก็คือที่อยู่ของบุคคลที่จิตเข้ า, ขาถึงชั้นนั้น ก็กลายเป็นพบต่างๆทั้งสามสิบประพบแต่ละพบแต่ละภูมินั้นวัดด้วยความประนีตของจิตใจพอจิตประณีตขึ้นพบก็สูงขึ้นภูมิก็สูงขึ้นเรื่องถาก็มองอย่างนั้นก็เข้าใจา ย, ยากแต่ถ้ามองถึงภูมิจิตชั้นจิตของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน ย่งท่านสาธุชนทั้งหลายในสมาคมนี้หรือท่านสาธุชนทั่วๆไปก็ตามภูมิจิตมันอยู่กับคนละชั้นของนักเล่นการพ น, นันพวกเที่ยวกลางคืนพวกหาความสนุกสนานต่างๆพวกนักเลงสุราเป็นต้นแม้จะเดินผ่านกลุ่มคนก็เล่นการพ น, นันเขาดื่มสุรากันแต่ภูมิจิตเราอยู่บนเราก็ลอยผ่านไปได้ โดยสิ่งเหล่านั้นไม่สามารถจะเหนี่ยวเราเข้าไปสู่อำนาจของตัวเองทีนี้ในชั้นนี้ก็เหมือนกันในชั้นของการศึกษาปฏิบัติเป็นสังเกตว่าคนเราจะเกาะกลุ่มกันในแต่ละสายตามพื้นฐานความสนใจพื้นฐานการศึกษาและการประพฤติปฏิบัติของตน ใครสัมผัสได้สูงก็จะเกาะกลุ่มกันคุยกันสนทนากันในเรื่องสูงๆใครสัมผัสได้ลดตานลงมาก็จะพูดสนทนากันในเรื่องนั้นเันภูมิจิตมันแตกต่างกันจึงทําให้พบคือที่อยู่ที่ไปของบุคคลแตกต่างกันแต่แม้แต่คนที่จะคบหาตลอดถึงชั้นของความคิดที่ปรากฏแก่จิตของบุคคลก็จะแตกต่างกัน และความแตกต่างนั้นจะขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเป็นอรูปภพซึ่งถือว่ามันก็จบโลกแต่ยังไม่จบธรรมเพราะธรรมะยังมีภูมิที่สูงงินไปกว่านั้นคือโลกุตตรภูมิพระเจ้าก็สอนในรูปของสมบัติแต่ว่าสมบัติในความหมายนี้จะเน้นไปในเรื่องของกุศลคือการเพิ่มของกุศล เรกรุมหนึ่งก็คือโรค ก, กบัตฏการวิบัติก็มองในด้านความเสื่อมต่างๆคือตัวโรคตัวคนตัวสัตว์ตัวสิ่งของต่างๆและเห็นว่าเกิดขึ้นมาเท่าไหร่ก็วิบัติไปเท่านั้นแล ะ, ะความพิบัตินั้นจะเกิดขึ้นแก่สิ่งมีชีวิตหรือสิ่งไม่มีชีวิตด้วยวิธีการต่างๆแต่ผลเหมือนกันคือพิบัติเหมือนกัน แล้วมาถึงชั้นหนึ่งคือความตกต่ำในด้านจิตใจของบุคคลที่เราใช้จำนวนบาลีว่าตกนรกที่จริงคำว่าตกนรกไม่มีในภาษาบาลีบาลีท่านใช้คำว่าเข้าถึงนรกเท่านั้นเองท่าไม่ได้ใช้คำว่าตกนรกแต่ว่าเป็นการแสดงถึงสภาพจิตของบุคคลที่ตกลงไปคือตกต่ำลงไป ตกกว่ามาตรฐานเดิมตกกว่าตกลงไปตกต่ำกว่าสภาพเดิมของจิตซึ่งมีทั้งส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมคือเป็นคติเป็นพบเป็นสภาวะของชีวิตที่ประสบความทุกข์ทรมานเดือดร้อนด้วยประการต่างๆและแม้แต่การตกไปของจิตคือตกจากอากุศลตกจากกุศลธรรมของจิตก็ไปอยู่บบไปฝ่ายของอกุศล ซึ่บางครั้งผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะถ้าตรวจสอบดูจิตก็จะเห็นว่าจิตเราตกลงไปตกลงจากเมตตามาคว้าเป็นความโกรธตกลงจากมุติตามาเป็นริษยาตกลงจากกรุณามาเป็นวิหิงสาคือความเบียดเบียนตกลงตกลงมาจากปัญญาเป็นความเครื่อแคล ง, งสงสัยเป็นตนซึ่งหมายความว่าเป็นความพิบัติทางใจแต่พอใจวิบัติ เนื่องจากการกระทาคำพูดของคนขึ้นมาจากใจการกระทาคำพูดก็เป็นไปเพื่อความวิบัติถึงจะสร้างความวิบัติให้ทั้งแก่ตนและแกะ่บุคคลอื่นความวิบัติเหล่านี้บางครั้งก็มองได้ในขณะของจิตเช่นความตกต่ำทางจิตบางครั้งจิตกระสันอยากในอารมณ์ทั้งหลาย ปรารถนาไขว้เพียนพยายามเพื่อให้มีการตอบสนองมีผู้ตอบสนองและได้รับการตอบสนองจนจิตดิ้นซัดสายไปในอารมณ์ต่างๆเป็นจิตที่มีความหิวโหยอย่างต่อเนื่องและยาวนานไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอซึ่งก็เป็นส ภ, ภาพจิตที่ถูกปรุงด้วยตันหาบางครั้งสงสัยคำคำ ว, ว่าตันหาวิจริตคือเที่ยวไปด้วยแรงส่งหรือแรงผลักดันของตัหา ลักษณะเหล่านี้โดยสภาพจิตก็เป็นเช่นเดียวกับเปรตเปรตนั้นมีปกติหิวโหยอยู่หนึ่งนิดมันมีคำว่าอิ่มอยากอยู่ตลอดเวลาอาจารยยกตัวอย่างว่าปากถาลารูเข็มท้องถ้าผูกเขาซึ่งภาพเหล่านี้เป็นรูปธรรมที่ชวนให้เกิดความเข้าใจว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็ไม่มีวันได้อิ่มเพราะอาหารที่เข้าไปเข้าได้น้อยแล้วเกิน แต่ว่าสถ า, านที่อยู่ของอาหารนั้นมีมากห้เก่นคือใหญ่โตหรือเก่นท่สุดก็จะไม่รู้จักกิมบางครั้งจิตตกไปเดิมอำนาจของความโกรธแค้นความอาฆาตปยาบาัติุงโต้ตอบทำลายล้างเหยียดเบียดลา้างผพรนกันแม้แต่ในชั้นของความคิดที่เรียกว่าอคุศนวิตก แสดงเห็นตั้งการตกไปของจิตจากกุศลและธรรมก็เหมือนกับการตกนรกเพราะมันมีความร่าร้อนรุนแรงบันเกิดขึ้นภายในจิตบางครั้งจิตประกอบด้วยโมฆะความหลงไม่รู้เหตุรู้ผลอะไรเป็นคนมืดบอดในการใช้สติเหตุผลใช้ปัญญาพิฎิพิจารณาทำอะไรไปตามอารมณ์ จะถูกหรือผิดก็ไม่รู้เพราะไม่ได้มีปัญญาเป็นเครื่องสอนสองจิต ท, ที่ตกอยู่ในสภาพนี้มันก็เหมือนกับเดรัจฉานคือราบไปกับโลกมีความเกี่ยวข้องผูกพันเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กับอารมณ์โลกาการตกไปของโลกนั้นมองจดุดดึงก็คือจุดของความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนของสังขารทั้งหลาย แล้วแต่เราจะมองในโลกใดเร า, าโลกจึงทรงจยกแนกไว้ทั้งส่วนที่เป็นรู ป, ปรธรรมและส่วนที่เป็นนามธรรมและเพื่อมองได้เด่นชัดมากยิ่งขึ้นเราก็แยกโลกสามออกให้ดูโลกสามเฉพาะในที่นี้คําว่าเฉพาะในที่นี้นั้นหมายความว่าก็แสดงไว้หลายนัยยะด้วยกัน เป็นบางครั้งท่านก็แสดงโอกาสสโลกโลกคือแผ่นดินสัตว์โลกโลกคือหมูสัตว์สังขารโลกโลกคือสังขารมันก็สาเหมือนกันบางครั้งก็เรียกว่าเป็นมนุษย์สโลกเป็นเทวโลกเป็นพรหมโลกก็สาเหมือนกันดังนั้นบางอย่างถ่ามีการแสดงไว้มากๆหลายนัยยะด้วยกันแล้วก็ต้องบ่งไปว่าเฉพาะในที่นี้ ซึ่งก็หมายความว่าที่อื่นอาจจะกล่าวเป็นอย่างอื่นได้เพราะปัญหาในด้านของการศึกษานั้นพระเจ้าจะตรวจสอบคนผู้ฟังธรรมะเสก่อนเขาจะเข้าใจโดยการใช้ภาษาอะไรพูดเรื่องโลกอะไรแล้วก็เข้าใจก็ใช้ภาษานั้นใช้กลุ่มของโลกนั้นแต่ผลจากความรู้โลกเข้าใจโลกจะออกมาเหมือนกัน คือความเจือจางเบาบางของกิเลส ท, ที่เป็นเอตยิจิตอยู่ในโลกวุ่นวาย่กโลกจนถึงกระโดดเดือดร้อนสร้างความทุกข์ทรมานให้เพิ่มขึ้นแก่ตนได้บุคคลที่เกี่ยวข้องก็เป็นเรื่องของโลกมันจึงทรงสอนในรูปเวทนาสที่จะเห็นความพิบัติความสมบัติของเวทนาได้ชัดเจนเวทนานั้นคือความสวยอรมณ์ ออกมาเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างกลางกลาบ้างที่จริงตัวเวทนามันก็คือเวทนามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยโดยโครงสร้างของโลกแต่เวทนาในลักษณะเดียวกันนั่นเองคนหนึ่งอาจจะรู้สึ ก, กว่าเป็นสุขคนหนึ่งอาจจะรู้สึกว่าเป็นทุกข์คนหนึ่งอาจะกกานนอาจะรู้สึกกลางๆก็ได้ข้อนี้บางครั้งเป็นเรื่องที่ไม่น่าเป็นไปได้ แต่ก็เป็นไปได้เช่นเคยเล่าเรื่องของนายโกกาลิกที่ประสบความหิวโหยในหนทางเพราะหนีทุพกะไพปะเมืมาถึงบ้านของนายโกบาลเข้าไปขออาหารขอรับประทานแต่พระปัจเจก็พูดยังฉันจูนายโกบาลก็ยังไม่ให้อาหารแต่ในขณะเดียวกันก็อ า, อาหารข้าวยาคูยังดีไปให้สุนัข ก, กิน ในโกคาริเกคิดดึวความขิวมองเห็นการในรับประทานอาหารอย่างที่สุนัขรับประทานนั้นเป็นความสุขเป็นเรื่องดีพิเศษได้เกและจิตใจผูกพันอยู่กับสุนัขจนถึงก็อยากเกิดเป็นสุนัขก็รู้สึกว่าไม่ต้องลงแรงทํางานในเหนื่อยยากลําบากก็มีคนเอาหารให้กิน ข้อนี้ลองสังเกตดูว่าคนจะกําหนดอย่างนั้นเสมอไปไหมกก็ไม่มีใครจะเอาอย่างนั้นแต่เมื่อสภาพติดมันเปลี่ยนแปลงถูกบีบขั้นรุนแรงขึ้นมาอาจจะมองสิ่งที่มีแต่ความทุกข์ให้เป็นความสุขขึ้นมาได้ที่ก็มีํำนวนอยู่จำนวนหนึ่งซึ่งเอาจริงก็ออกมาจากภาษาบาลีที่ท่านใช้คำว่าเห็นกงจักเป็นดอกบัว คือสิ่งหนึ่งที่บุคคลเห็นเป็นความเดือดร้อนเป็นความตกต่ําแต่คนอีกกลุ่มหนึ่งก็อาจจะเห็นเป็นดอกบัวที่น่าชื่นชมยินดีก็ได้แต่ลักษณะเหล่านี้ที่จริงเราก็พบได้ทางก้องท่านนั้นเช่นบางทีคนหนึ่งเดินสูบบุหรี่สูบได้หน่อยแล้วก็โยนทิ้งจะมีคนหนึ่งไปวิ่งไปจับมาสูบต่อแจะหมายความว่าคนหนึ่งทิ้งแล้วแต่คนหนึ่งอาจจะคว้า ม, มาได้ เพตัวกาหนดนั้นอยู่ที่พื้นฐานจิตของบุคคลและสถานะของบุคคลที่กำหนดอารมณ์นั้นแต่เวทนาเองแกก็เกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยปัจจัยนั้นมีทั้งภายในภายนอกเช่นเวทนาที่เกิดขึ้นจากตาเห็นรูปนั้นมันก็เป็นกระบวนการของธรรมชาติแม้ความว่าเหตุปัจจัยอย่างนี้มีแล้วก็เกิดทุกทีได้ คือจะต้องมีตาจะต้องมีรูปซึ่งอยู่ในวิสัยที่ตาเห็นได้แล้วก็มีช่องว่างหรืออากาศหรือแสงสว่างกันหแล้วก็มีความสนใจที่จะดูรูปไอะจะักรูวิญญาณคือความรู้รู ป, รปทางตาก็บังเกิดขึ้นแลวสายอจตนาภายในภานอกวิญญาณนี้เองก็ก่อให้เกิดเป็นสัมผัสคือการกระทบกันระหว่งางอจตนาภายในภานอกแล้วก็วิญญาณ พอเกิดสัมผัสคือการกระทบก็เกิดเป็นเวทนาแต่เวทนานั้นพึงสังเกตว่ามันเกิดขึ้นจากการกําหนดของเราเราจะกําหนดยังไงกําหนดให้ดีก็ได้กําหนดไม่ให้ดีก็ได้คือกําหนดให้สุขก็ได้ทุกข์ก็ได้แล้วเป็นกลางกลางก็ได้และแม้แต่อารมณ์ชนิดเดียวกันการกําหนดเวทนาให้เป็นสุขเป็นทุกข์ขึ้นอยู่กับสภาพจิตในขณะนั้น ประสภาพจิตเรา ม, มีปัญหาไหมแต่ภาพภาพจิตเรา ม, มีปัญหาน้อยอารมณ์ที่เคยหงุดหงิดเคยไม่พอใจเคยกระทบกระทั่งก็อาจจะรู้สึกเฉยเฉยหรือความรู้สึกไม่พอใจนั่นเองมีอยู่แต่ลดลงถึงก็หมายความมาทุกขกเวทนาที่จะเกิดเพราะอารมณ์นี้ก็ลดตามลงไปความสุขความทุก หรือไม่ทุกข์ไม่สุขที่ปรากฏเป็นรูปของเวทนาจึงอยู่ที่การกำหนดหมายอารมณ์ของบุคคลถ้ากำหนดในแนวหน้าใคล้หน่าปรารถนาหน้าพอใจเราก็ได้สุขแต่ความสุขเหล่านั้นอาจะพบว่าจะสุขอยู่ได้ระยะหนึง่งถึงดูง่ายๆคล้ายๆกับบุคคลไปแสวงหาสิ่งของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เวลาได้สิ่งนั้นมาก็จะจับมามองดูกกรูปครามด้วยความชื่นชมยินดีแต่จะอยู่ได้ระยะหนึ่งแล้วก็วิ่งแสวงหาต่อไปแล้วพอจับมาได้มันก็ชื่นชมอีกแล้วก็วิ่งหาต่อไปอีกนั้นเป็นภาพที่สามารถมองได้เวลาไปเก็บผลไม้ไปในป่าไปเก็บดอกไม้ไปเก็บอะไรก็ได้จิตใจจะเป็นอย่างนั้นพอจับได้จะชื่นชมแล้วก็วิ่งต่อ ยิ่งชมแล้วก็วิ่งต่อเพราะถ้าไม่ได้ก็เกิดทุกข์เกิดไม่สบายบางทีก็ทรงกายไว้ไม่ได้นั้นถ้าเรามองกลับไปที่ใจก็คือเกิดจากการที่ใจถูกปรุงด้วยกิเลสเป็นเหตุให้มีการกาหนดในแนวที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องปินญิพิจนาคือตั้งความหวังเข้าไว้แล้วก็ขอยสมหวังอยู่รำไปแต่ทีนี้แม้จะสมหวัง เราจะพบว่าไม่จะให้ความสุขเสมอไปเพราะใจขวายคว้ า, วาก็คงคว้าต่อไปและสิ่งที่ไปยึดครองไปถือครองเอาไว้ไปปกครองเอาไว้ก็จะมีความรู้สึกวิตกกังวลกลัวจะเสียจะหายกลัวอันตรายจะเกิดขึ้นและเวลาแกเป็นไปตามเหตุปัจจัยเพราะใจจะยึดให้แก่อยู่แกมีแ ก, แกเป็นอย่างนั้นอยู่ตลอดไป ม่แกไม่อยู่ไม่มีไม่เป็นอย่างที่เราต้องการเราก็เกิดความทุกข์ที่เกิดโศกกระดัะเวทนานั้นจึงทรงสอนให้บุคคลเข้าใจว่าแท้ทจริงแล้วมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยทั้งภายในและภายนอกตัวการใหญ่มันก็อยู่ที่การกำหนดอารมณ์ของบุคคลไม่เห็นว่าแล้วถ้ากำหนดด้วยปัญญาอความรู้ความเข้าใจในสิ่งนั้นก็จะสูงขึน จะกำหนดด้วยกิเลสด้วยกำหนดด้วยราคะอะไรก็ตามคือจิตก็จะดิ้นไปตามสิ่งที่ถูกกำหนดถ้าเราดูจิตในขณะนี้ก็คล้ายๆกับสิ่งที่ถูกปรุงหรือถูกก็เหมือนกับผ้าที่ถูกย้อมก็ขึ้นอยู่กับสีอะไรเอาสีอะไรมาย้อมแกก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแต่แม้แต่เวทนาที่เป็นทุกข์ ถ้าบุคคลกําหนดด้วยปัญญาแทนที่จะกําหนดด้วยโมฆะถ้าก็จะรู้อย่างต่อเนื่องเจนทุกเวทนาบังเกิดขึ้นก็รู้เออเวลานี้ทุกเวทนามันเกิดขึ้ น, แ, น, น, น, น, นแต่ทุกเวทนานี่มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยนะสิ่งอะไรก็ตามที่เกิดเกิดมาจากเหตุปัจจัยแล้วสิ่งนั้นจะไม่คงอยู่ในสภาพเดิมหรอกมันจะต้องเปลี่ยนแปลงแปรปลุนอยู่ร่ําไป เพราเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็แสดงออกไม่ใช่ทุกตลอดไปบุคคลไม่ต้องตั้งคําถามว่าทําไมจึงต้องเป็นเราทําไมจึงต้องเกิดขึ้นแก่เราทําไมจึงไม่เกิดขึ้นแก่คนอื่นแต่แท้ๆจริงมันก็เกิดขึ้นแก่คนทั้งหลายไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะแก่เราเท่านั้นเมื่อเหตุปัจจัยเป็นอย่างนี้มันก็ต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนนี่ยก็คล้ายๆกับเราไปอยู่ในบรรยากาศที่มีอุณหภูมิระดับนี้แล้วก็ ระดับนี้ด้วยกันเพราะฉะน้ท่านจะไม่เป็นทุกข์มากเกินไปในยามประสบกับทุกขเวทนาเพราะท่านมองเห็นชัดเจนว่าเป็นของไม่เที่ยงนี่ก็คือการสอนให้รู้โลกในแง่มุมต่างๆจึงเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาไปก็จะหาประโยชน์ได้ทุกจุดไม่ว่าโล ก, กสมบัติหรือโลกกัวิบัติหรือโลกคือเวทนาสามประการก็ตาม การใช้ปัญญาพิจารณาจึงนำมาซึ่งประโยชน์ในชั้นต่างๆสำหรับผู้เป็นพุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป